2องจุหนึ่งห้าความเป็นกลางมีหลายระดับวงเล็บเปิดยี่สิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าห้าสิบในวงเล็บสองจุดจุดนาทีหกสิบหกวงเล็บปิดเราภาวนาไม่ได้เอาสบายนะอย่าไปเกลียดมันเป็นกลางไว้ถ้าเป็นกลางเราก็พ้นทุกนะหลวงปู่เทศเคยสอนเครื่องหมายคำพูดเปิดผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกทั้งปวงปิดเครื่องหมายคำพูดสอนอย่างนี้นะแต่กลางมีหลายระดับ กลางที่แท้จริงเลยก็คือไม่ไปหยิบฉวยอะไรสักอย่างเดียวเป็นกลางไม่หยิบอะไรเลยอีกอันหนึ่งเป็นกลางด้วยปัญญาเห็นทุกอย่างเสมอภาคกันสุขขีดทุกข์ดีขีดชั่วล้วนแต่ของไม่เที่ยงอีกอันหนึ่งเป็นกลางด้วยสมาธิเพ่งเอาไวน้นิ่งๆคนชมก็เฉยคนด่าก็เฉยเพราะฉะนั้นกลางก็มีหลายกลางตอนที่ไม่เป็นกลางจิตก็มีความทุกข์